ก็ขอนอบน้อมต่อบราลตนาไตรพระพุทธระธรรมพระสงฆ์กราบนมัสการพระเทลานุเทระพระภิกษุสงฆ์เพื่อนสหธรรมิกขอเจริญดำญาติม่ชีญาติโยมุบาศกอุบาศิกาก็เราสู่กันฟังก็ประสบการณ์ที่ปฏิบัตินี่แหละโยมเรามาปฏิบัติ ก็พยายามนี่แหละจับกายานุปัสสนาให้มันชัดเราทำความรู้สึกตัวนี่แหละให้มันชัดเจนเพราะว่าถ้ากายานุปัสสนาไม่ชัดนี่ <c oughs> การปฏิบัติมันก็ไม่ชัดจะไปดูเวทนาดูจิตตาดูธรรมามันไม่เห็นมันไม่ชัดแล้วมันแก้ไขตัวเองไม่ได้เวลา คือถ้าไม่ได้หลักของกายานุปัสสนาเนี่ยกายานุปัสสนาเราเดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวที่เราทําเนี่ยมันรู้ต่อเนื่องติดต่อกันไหมรู้ที่เรารู้เนี่ยเราเรารู้จากการกําหนดนะเราต้องกําหนดมันถึงจะรู้ <c oughs> ถ้ามันรู้ตรงจากการกําหนดเนี่ยก็ยังไม่ใช่มันยังไม่มันยังไม่มั่นคงเราจะไม่ได้หลักกําหนดไปกําหนดไปจนกระทั่งได้ หลักโดยที่ไม่กำหนดมันรู้ตัวกายานุปัสนาที่มันเป็นเองเนี่ยตัวเนี้ยมันถึงจะเป็นหลักเป็นฐานถ้าไม่ได้หลักได้ฐานตรงนี้นี่เราก็ยังไม่ยังไ ม, ยงไม่ยังไม่ตรงอยู่เราก็จะเป็นผู้ที่ขึ้นขึ้ น, นลงลงอยู่คือเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็สู้กับอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วทีนี้เวลาเรามาเก็บอารมณ์ อนานๆอย่างเนี้ยก็ต้องสังเกตต้องสังเกตตัวเองทุกๆอย่างนั่นแหละเราปฏิบัติเราปฏิบัติเนี่ยเวลามันเกิดอะไรขึ้นเราเราเราพยายามที่จะไปกาหนดรู้แล้วเปลี่ยนอาการนั้นให้มันมันเป็นความรู้สึกตัวได้ไหมเวลาเราเช่นเราว่าตื่นนอนอย่างเนี้ยก่อนนอนก่อนจะนอนหรือตื่นนอนอย่างเนี้ยเราสังเกตไหม ถ้าเราเข้าเวลาเราเก็บอารมณ์เนี่ยเราจะเราจะเห็นสังเกตได้ง่ายเพราะว่าเมื่อความเพียรมันมากตัวสติมันมากตัวความรู้สึกตัวมันมีน้ําหนักเมื่อมีน้ําหนักเดีเราจะแก้ไขอาการอะไรต่างๆมันแก้ไขได้ง่ายอย่างเช่นเราเดินโยกมมทั้งวันเนี่ยเราเคยนอนสามทุ่มไหมหรือสองทุ่มไหมหรือนอนหกหนึ่งทุ่มนะพอเราเดินโยกมมเราทําความเพียร น, นี่ มันไม่ถึงหนึ่งทุ่มหรือไม่ถึงต ก, กําหนดที่เราจะต้องนอนแบบมันจะง่วงง่วงก่อนที่เราจะนอนเนีเราเคยไปนอนเลยหรือว่าเราแก้ไขมันซะก่อนหรือตอนตื่นนอนนี่ก็เหมือนกัน <c oughs> ตอนที่ถ้าก่อนที่มันจะนอนสมมติว่าเราเคยนอนสามทุ่มเนี่ยทุ่มหนึ่งสองทุ่มมันจะง่วงแล้วเราเดินยังกลมทํากลมเพี้ยนมากๆเนี่ยเราต้องฟื้นไปอีกนะอันนี้ เราสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างมันจะแสดงให้เราเราเห็นหมดเราเดินยงกลมแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนิวรณห้าอย่างความลังเลสงสัยความหงุดหงิดฝุ่งสร้างความบิดฉาพยาบาทความง่วงเอาจ น, นิงเราผ่านไหม <c oughs> เราเดินยงกลมเราทําให้ผ่านได้ไหมคือถ้าไม่ผ่านเนี่ยถ้าแค่ความง่วงเนี่ยถ้าไม่ผ่านนี่ยเราก็จะไป ไปเห็นอะไรได้ยากนะบางทีแพ้ไปเลยนะคนที่เข้าห้องกรรมฐานเนี่ยสู้ความง่วงไม่ได้เนี่ยออกจากห้องกรรมฐานมาแล้วจะไม่มาอีกเลยหลายๆคนนะเพราะอะไรเพราะกลัวความง่วงฉะนั้นถ้าเรามีสติกำหนดรู้เนี่ยถ้ามันง่วงเนี่ยถ้าเราทำสู้มันจนมันหายง่วงความไม่ง่วงมันก็มีมันหายได้มันกันนะมันหายอารมณ์ทุกอย่าง เราเดอเราปฏขนาดที่เราปฏิบัติเราคิดเราหงุดหงิดเราฟุ้งซ่านจริงจ ร, จ ร, จ ร, จริงผู้เก่าเนี่ยผู้เก่ามันก็พอเรามาปฏิบัติปุ๊บเนี่ยถ้าเรามีสติชัดเจนเราจะสังเกตเราจะเห็นได้ว่าอารมณ์เบื้องต้นของของเราผู้ที่มาปฏิบัติเนี่ยมันจะเป็นมันจะคิดเรื่องเก่าๆเรื่องทุกข์เรื่องอดีตเรื่องอะไรแหละมันจะไหลมาไหลมาอะไรมาตรงเนี้ย ถ้ามีสติมีน้ำหนักพอหยุดหยุดพอไม่เอาเนี่มันจะรู้ทันทีเลยมันจะรู้ว่าเป็นสภาวะอารมณ์อะไรถ้าเรามีสติอย่างชัดเจนจริงๆเนี่ยเราจะรู้โดยทันทีว่าที่เราเป็นอยู่เนะี่ยมันเป็นสภาวะอะไรตัวเราเองนี่แหละมันจะบอกมันจะบอกตัวเราเองเหมือนกันพอมันเปลี่ยนแปลงจากอารมณ์ดีผู้ปฏิวัติมาใหม่ๆเราจะเห็นได้ว่าเรื่องเก่าๆเรื่องอะไรตั้งแต่สมัย โน่นตั้งแต่เกิดทีแรกตั้งแต่รู้จักความรู้จักจําได้หมายรู้ตั้งแต่เล็กๆนู้นหล่ะขึ้นมามันจะไหลออกมาค่อยๆไหลอันโน้นอนี้แล้วยิ่งเรื่องความทุกข์ที่เรามีเนี่ยเรื่องสําคัญที่สุดที่เราเคยมีในจิตในใจเราเนี่ยมันจะยี่สิบสาสิบปีกันแล้วแต่มันจะเกิดขึ้นทันทีไอ้ความทุกข์ที่มันมันคาใจเราเนี่ยมันจะไหลออกมาเลยพอไหลออกมาเนี่ ถ้าเรามีสติไม่พอเราจะคิดโกรธคิดโมโ ห, โหอยู่นั่นแหละคิดเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็ไม่จบเนะบางคนนี่ไม่จบไม่เป็นนะเอาความโกรธนะั่นแหละมามาจบไม่เปลนเราก็ใช้อุบายอ่ะดมานี่ถ้าพูดถึงว่า <c oughs> เรื่องของสติกายานุปัสสนาในชัดไหมไม่ชัดหรอกโยมแต่ว่าอาศัยความเพียรนะทั้งเดินทั้งคิดทั้ง หมกมุ่นคุณนชิดอยู่นั่นแหละแต่พอเราสังเกตดูว่าเอ๊ะมันเอาไม่อยู่ได้เวลาเราคิดเราโกรธเราโมโหเอาไม่อยู่ได้ทำยังไงบริกรรมโยมเดินยงกรมนี่ดูลมหายใจเข้าออกพุโทโธพุทธโธพุโทโธด้วยถ้าดูลมหายใจได้ทุกทุกเข้าออกรู้ทุกขณะทุกขณะทุกขณะเนี่ยเดินชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเนี่ยเท้าก็สัมผัสพื้นไปได้เท้าไหนขาเท้าเท้าไหนพุทเท้าไหนโธ ดูบริกรรมอยู่อย่างนั้นแหละบริกรรมไป บ, บริกรรมมันแนบแน่นขึ้นแนบแน่นขึ้นรัวสติจิตมันนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นพอเดินชั่วโมงสองชั่วโมงนี่พอเลิกบริกรรมปุ๊บมากำหนดรู้เฉยๆนี่โอ้ยได้ตัวสติล้วนๆเลย <c oughs> อันนี้คือความไม่ชัดถ้าคนกายานุปัสนาชัดเนี่ยแค่มันคิดปุ๊บเอ้ยหยุดจบทำแรงๆก้าวกระเทือบทา้าแรงๆจบแล้วเดินมันจะจบละเมื่อจบปุ๊บเนี่ยมัน พอมันจบปุ๊บเนี่ยมันก็มีอันใหม่มาอีกเหมือนกันนะเราเดินจงกรมเราทำความเพียรเนี่ยเราสังเกตว่พอมันมีสติปุ๊บมันจะเทศมันจะสอนเรามักจะชอบเราจะชอบตรงวิภาควิจารณ์การเทศการมันก็เป็นรภาวอารมอย่างหนึ่งอารมณ์ตรงนั้นเราก็ไม่ใช่ไปเอาเราก็ต้องรู้จักว่าโอ้นีมันหลงเทศหลงสอนดิมันหลงกับความพอใจด้ ความพอใจนี่แหละส่วนมากเราไม่ค่อยเห็นนะเวลาเรามาปฏิบัติธรรมนี่ปุ๊บนพอแค่เรา <c oughs> มาได้พ่อผ่านอารมณ์ดิตเนี่ยเรามาคิดเรามาไปสูงอารมณ์อานาคตแล้วอารมณ์อานาคตเนี่ยมันเป็นยังไงเราอยากสร้างอยากทําอยากถวายอยากมีศรัทธาทำบุญกับพระตรงนั้นตรงนี้สร้างอันนั้นสร้างอันี่ตรงนี้ เรามีเท่าไหรล่ละสามารถที่จะทุ่มเททําได้หมดเราทําได้จริงเราก็คิดว่าเป็นความดีอยากเอาคนนั้นมาเทศเอาคนนี้มาสอนไปเอาญาติเอาพี่น้องมาสอนมันถ้าเราเห็นจริงๆเราก็จะรู้โอ้เนี่ยมันเป็นอารมณ์อนาคตเด้จบจบไม่เอาไม่ทําเคยห้ามไหมอย่างเนี่ยส่วนมากมันห้ามไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นอะไรมันเป็นความพอใจความไม่พอใจเรายังห้ามไม่ได้เลยความโกรธเนี่ย เรายังห้ามไม่ได้เรื่องให้หยุดไม่ได้เวลาเราปฏิบัติพอความโกรธขึ้นมาเนี่ยมันคิดโอ้โหปรุงแต่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็มียิ่งคนเคยทุกข์มามากๆเคยมีความโกรธกับ <c oughs> คนอย่างโกรธกับใครก็ตามที่มันเคยฝังใจไว้เนี่ยโอ้ยมันคิดแล้วคิดอีคิ ด, ด, คดจนหาทางจะไปทําร้ายเขานั่นแหละอันนี้คือ <c oughs> มันความโกรธความทุกข์ใจเนี่ย ฉพระนั้นเราเปลี่ยนเราเกิดอะไรขึ้นกันแล้วแต่เวลาเราเดินจงกรมเน่ยมันจะคิดเล็กคิดน้อยเลยพยายามให้มันจบไวๆจบง่ายๆไม่ใช่ว่าเดินจงกรมเนี่ยพอเดินมันคิดมันปรุงมันแต่งอะไรเราตามมันตลอดเนี่ยยิ่งเราตามเท่าไหร่เราก็เกิดความเคยชินพอมันมีอะไรขึ้นมาปุ๊บเราก็คิดตามเขาคิดอะไรขึมาคิดตามเขายิ่งเป็นความรู้เนี่ย เดินจงกรมทั้งวันก็ไม่นื่ยตัววิภาควิจารเนี่ยมันเทศมันสอนได้ทั้งวันนะมันไม่เหนื่อยนะแต่มันไม่ใช่มันเราทิ้งหลักเราทิ้งหลักกายานุปัสสนาเนี่ยถ้าเราทิ้งหลักแล้วเราก็จะเพลิดเพลินเราจะหลงง่ายลืมง่ายพอเราจะกลับมาหาความมีสติเนี่ยกรรู้สึกตัวเนี่ยมันจะกลับมาได้ยากฉะนั้น หลวงพ่อต่างเน้นย้ำบ่อยๆว่าไม่ต้องเอาอะไรมากดอหลวลงพ่อคำเขียนบ่กเอาแค่ความรู้สึกตัวนี่แหละจะรู้อะไรไม่รู้อะไรก็ไม่ต้องไปสนใจมั่หรอกเอาความรู้สึกตัวนี่แหละถ้าความรู้สึกตัวมันแนบแน่นแล้วอย่างอื่นมันเป็นผลไงนะกายะนุปสนาเนี่เป็นหลักนะถ้าได้หลักแล้วเนี่ยผลจะดีเองนะเรื่องเวทนาเนี่ยคืเหมือนกันเวลาเราเดินยงกลมทาความเพียร เราจะ <c oughs> มีความปวดแข่งปวดขาปวดโน่นปวดนี่เราเดิน อ, อยู่ในทางเดินยงกลมเนี่ยแม้แต่ปวดหนักปวดเบาเนี่มันก็แสดงออกให้เราเห็นนะอย่างอดามานี่ถ้าเขาห้องกรรมาฐานเนี่ยเวลามันจะแสดงให้เห็นเนี่ยพอเดินมาจงกลมไปสักหน่อยปุ๊บปวดเบาแล้วเอา้าพอไปเบามาเสร็จปุ๊บพอเราไปทําตามเขาปุ๊บกลับเข้ามาอีกไปเดินไม่ถึงเสียนาทีอ้าวปวดอีกแล้ว ไปอีก เ, เอ้าเอมันไปไม่นานทําไมมันถึงต้องเป็นแบบนี้เนาะไม่เอาตอนนี้ฝืนแล้วไปยังไงก็ไม่ฝืนเอา้ามันอยากแตกอยากมันอยากให้มันไหลก็ไหลในทางเดินโยกมนี่แหละพอท้าทายอย่างนี้เดินโยกมุมทำกับมีมันก็หยุดมันก็จบนี่ยถ้าเราไม่อาการต่างๆถ้าเราไม่เอาสติไปกําหนดรู้ถ้าเราไม่ท้าทายแล้วเราไปทําตามเขาเนี่ยเราก็จะเป็น เรียกว่าเป็นผู้แพ้ตลอดแม้กระทั่งความม่วงเนี่ยมันหนักมากนะไม่ใช่ธรรมดานะก่อนที่เราจะผ่านมันหนักมากๆเลยแ่ะยิงในทางเดินโงกลมเนี่ยหนักมากๆเดินจงกลมทำความเพลียนถ้าเราเอาหลักของพระอัลพบอร์ตเจ้าท่านตรัดไว้ว่ากายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตตานุปัสนาเนี่ยถ้าเราเอาหลักเนี้ยมามามา <c oughs> เรียกว่าน้อมเข้ามาดูอะ่ะหลักถ้าเราทำกายานุปัสนาชัดเจนแล้วเนี่ยตัวเวทนามันจะเกิดเรียกว่าความเจ็บความป่วยก็ดีความปวดแข้งปวดขาอะไรมี่ก็ดีเนะ่ยมันจะเกิดยอย่างอันดามานี่เข้าห้องกรรมฐานแต่ละครั้งนี่ถ้าเดินยองกลมถ้าเอ็นร้อยหวานเอ็นร้อยหวาไม่ปวดไม่บวไมวไม่มีโยมเดินเข้าห้องกรรมฐานนี่ เอ็นร้อยหวายปวดบวมนะทั้งสองบางทีก็ข้างหนึงบางทีก็สองข้างเดินย่งกลมทำควรมเพียนเนี่ยมันสาเหตุที่มันเปลียนเพราะอะไรเพราะตัวกายานุปัสสนานี่เองมันไม่ชัดเมื่อมันไม่ชัดนี่ก็ไม่ยอมแพ้นะอา้าวมันเดินไม่ได้ทาไงเดินไปเดินมามันปวดมันทาไม่ได้ไงตักน้ำออกมาแล้วก็เอาขาแช่แล้วก็มานั่งยกมือชั่วโมงหนึ่ง พอได้ชั่วโมงพอมันพอมันมันพอมันเย็นมาถูกความเย็นปุ๊บอาการที่มันปวดเจ็บมันปวดมันก็บันเทาบันเทาก็ไปเดินอีกไปทําวามปอีกชั่วโมงสองชั่วโมงเป็นอีกก็มานั่งยกมืออีกทําไปทํามาอย่างเนี้ยพอทําไปทํามาปุ๊บมันก็เห็นเห็นอาการของเวทนาเนีะอาการที่เราจะไปเห็นเวทนามันแยกลูกแยกระน้ํำนะมันแยกคืออันที่มันเจ็บเนี่ยมันอันหนึ่ง อันที่มันเข้าไปเห็นนี่มันอันหนึ่งถ้าเรามีสติถ้ามันเข้าไปเห็นรูปเห็นนามีความเจ็บความปวดมันมีมีแต่ว่ามันไม่เป็นเมื่อใจเราแยกออกมาแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นทุกข์เมื่อมันไม่เป็นทุกข์เนี่ยเดินได้เป็นปกติทั้งนั้นที่มันเจ็บมันปวดอยู่แต่มันเดินได้เป็นปกติอันเนี้ยอันอนี้งเนี้ยที่เราเราถ้าเราไม่ฝืนเราจะไม่เห็นเวทนาทุกอย่าง แต่ถ้าคนที่มีสติมีกายานุปัสสนาชัดนี่แค่มันเป็นอะไรขึ้นมากำหนดรู้ปั๊บเดียวนี่ยจบจบทันทีเลยกายานุปัสสนาที่มันเป็นเองเนี่ยบางคนทำทามาไม่นานนะโยมทาไม่นานนี่ได้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าทำนานหรือไม่นานปฏิบัตินานหรือปฏิบัติไม่นานไม่ได้เกี่ยวกันเพราะว่าอุปนิสัยจิตใจของคนนี่แต่ละคนนี่จิตใจไม่เหมือนกัน เมื่อไม่เหมือนกันนี่ถ้าคนไหนก็จับหลักกายานุปัสนาได้เร็วได้ง่ายทําความรู้สึกตัวต่อเนื่องได้ตลอดเวลาเนี่ยคนนั้นนจะไปได้ง่ายไปได้เร็วไปได้เร็วแล้วก็แต่ว่ามันก็ต้องมีมีมีอุปสรรคเหมือนกันนะอุปสรรคคือความรู้นะความรู้ที่เรารู้จากวิปัสนาเนี่ยมันรู้ไม่ใช่รู้ธรรมดาในรู้ รู้จนกระทั่งถึงหลงจนหลงจนเป็นบ้าก็มีนะเพราะอะไรเพราะมันเป็นความรู้ที่เรเราไม่เคยพบเคยเห็นนะมันมันต้องต้องมีครูบาอาจารย์ต้องมีหลักนะหลักของเราก็คือมันจะเป็นอะไรก็อย่าไปทำตามมันอย่างอื่นไม่ใช่เลยอย่างอื่นเนี่ยถ้าเรายึดตัวกายานุปัสสนากับมาหาความรู้สึกตัวเนี่ย เป็นอะไรก็กลับมาหาความรู้สึกเป็นอะไรกลับหาความรู้สึกตัวอย่าไปเอาความรู้ความรู้ที่มันมันมันมันรู้เนี่ยมันทําให้เราเรียกว่ามันเป็นสภาวะอารมณ์นะโยมอย่างวิปัสสนู <c oughs> หรือจินตยานอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกเวลาเราเป็นเราไม่รู้เป็นเป็นเป็นจนกระทั่งมันไม่รู้สึกตัวอเลยเละโยมนะอันเนี้ยเรียกว่าประสบการณ์อย่างเนี้ย อามาแต่ก่อนเจอเจอมาเยอะพระที่ปฏิบัติด้วยกันเนี่ยขนาดปฏิบัติกับครูบาอาจารย์นี่มันยังจับผิดครูบาอาจารย์นะโยมโจดหลวงพ่อจรันเนี่เป็นอาบัติเวลาชิกสองรูปสามรูปอะคิดดูว่าโจทไล่หลวงพ่อจรันหนีจากวัดเลยแหละประชุมสงฆ์บอกว่าไล่หลวงพ่อจรันหลวงพ่อไม่ดีหลวงพ่อเป็นอาบัตปรลาชิกแล้วโจดอาบัตเวลาชิก สภาวะอารมณ์ที่เราปฏิบัติเนี่ยน <c> ะ <oughs> เราพยายามให้อยู่กับกายานุปัสสนาเนี่ยตัวเนี่ยให้ดีอย่าไปสนอย่างอื่นอย่าไปเอาอย่างอื่นยิ่งมีความรู้หลากหลายเยอะๆเท่าไหร่เนี่ยวางไว้เลยอย่าเอาความรู้ม า, มามาเรียกว่าอย่าเอามาพิจารณาอย่าเอามาไตร่ตรงอย่าเอามาครอบครวงช่างมันช่างมันช่า ง, งมันไม่ต้องไปไม่ต้องเอามานะ เพราะอะไรเพราะตัวความรู้ภายนอกเนี่ยมันก็พาเราพาเราไปหลงนะเวลามันรู้จริงๆเนี่ยไอตัวความรู้ภายนอกนั่นแหละมันจะมามันจะมาเป็นเหตุเป็นผลบอกว่าอย่างนี้ไม่ถูกอย่างนั้นไม่ใช่ไงอันเนี้ยมัน <c oughs> เรียกว่าความหลงเนี่ยถ้าถ้ามันก็มีโอกาสหมดมถ้ากายานุปัสสนาชัดเนี่ย มันก็จบได้มันกันโยมเพราะว่าที่เคยอยู่กับอาตมาที่อยู่ปากาลิโกโเนี่ยมีพระรูปหนึง่งท่านซึ่ ง, ง, งท่านปฏิบัติเรียกว่าเอาจริงเอาจังมากนะโยมคนเอาจริงเอาจังเนี่ย ม, มั น, ม, นมันเรียกว่าโอกาสที่จะหลงเนี่ยมีเยอะนะมี ม, มีมีมากท่านหลงยังไงโยมเดินยงกลม อยู่เจ็ดวันตอ น, น, นเป็นงานปฏิบัติอยู่เจ็ดวันพอวันที่เจ็ดเท่านั้นแหละโยมหายเลยพอจบงานแล้วหายท่านหายไปเลยทีนี้ของอะไรก็ไม่เอาไปบาดเบิดกดอะไรก็ไม่เอาไปกระทิ้งไว้เอาแล้วก็ถามถามว่าคุณแขกไปไหนไม่รู้ว่าไปไหนหลวงพ่อว่าโอ้ยหลงแล้วไปหาดิบอกให้อดัมาไปหาอมมาก็ให้โยมขับรถพาไปตามถนน เดินไปตามถนนโยมเดินไปไม่เอาอะไรไปเลยนะเดินไปเนี่ไม่เอาอะไรไปเลยบาทกฎอะไรไม่เอาอัตมาก็ถามเอา้าคุณแขกอยากราไหนเนะี่ยคิดดูว่าพูดพู ด, พ, ดพูดนี่ยนิ่มนะโยมเหมือนพูดยกมือขึ้นนิ่มอัตมาจะไปตามทางของอัตมาเอา้าแล้วบาทกับกฎอะไรไม่เอาไปเหลยเราปล่อยวางหมดแล้ว ไม่เอาบาทไม่เอาอะไรไเลยปล่อยวางหมดเอา้าเราจะไปยังไงเราจะไปตามทางเราปล่อยแล้วเอเอ้าเดี๋ยวก่อนกลับไปวัดก่อนลาหลวงพ่อจัลันเลยยังไปไปไปเดี๋ยวไปลาหลวงพ่อจันถ้าเราไปลาแล้วให้ปล่อยต้องปล่อยเราไปนะเออไปหาหลวงพ่อจันลันก่อนเข้าใจว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าขนาด น, น, น, นั้นนะโยมอันเนี้ยพอพอกลับไปวัดปุ๊บอาตมาก็คิดว่าเอาไม่อยู่แน่จะไ ป, ไปหายานอนหลับมันจะไม่เกลียกิน พอกลับมาวัดธนาหายแล้วโยมหายหายไปสามวันนะโยมหายไปสาวันอารมณ์นั้นคลายให้เด็กขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาวัดแล้วก็เลยถามเอาเขไปไหนมาเนี่ยไม่รู้ว่าผมไปที่ไหนเดินไปตามถนนเนี่ยไม่รู้ว่าไปถึงไหนอะโยมไม่รู้แต่ไปนอนศาลาข้างทางไปนอนอยู่ศาลาข้างสามวันสามคืนเนี่ยไปนอนอยู่ศาลาข้างทางกลับมาเอาไปไหนมา ผมไม่รู้ว่าผมไปไหนแต่ว่าผมไปนอนอยู่ศาลาข้างทางแล้วก็มันอารมณ์นะั่นมันสังมันสางนะอารมณ์ที่ที่มันเป็นนะ่ะพอสางปุ๊บเป็นปกติแล้วเหมือนเดิมเป็นปกติอันนี้คือคือเกจกายยานุปัสนาถ้ามันชัดเนี่ยมันก็กลับได้ง่ายกลับได้เร็วขนาดกลับได้เร็วก็ตั้งสามวันนะแล้วก็มีหลายๆรูปที่โอ๊ย บอกให้หลวงพ่อจะรันกราบเลยแหละคิดว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าคีดว่ารู้แล้วเข้าไปหาเนี่บอกให้หลวงพ่อจะรันกราบบอกให้หลวงพระที่วัดกราบตัวเองหลงแต่นั้นนั่นคืนยากนะต้องไปหาหมอเลยั น, นั้นคืนยากเพราะว่าอะไรเพราะหลักเพราะกายานุปัสสนาเนี่เองฉะนั้นตัวสติความรู้สึกตัวเนี่ยเอาตัวนี้แหละโยม มันคิดขึ้นมากลับมาหาความรู้สึกตัวมันคิดขึ้นมาจะคิดเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็กลับมาหาความรู้สึกตัวนี่ยึดตัวเนี้ให้เป็นหลักให้แนบแน่นให้มันต่อเนื่องโยมต่อเนื่องที่เรากําหนดนี่ก็ยังไม่ใช่นะโยมนะถ้าความต่อเนื่องที่เรารู้กาหนดรู้แต่ละก้าวแต่ละก้าวแต่ละก้าวแต่ละก้าวนี่มันก็ยังไม่ใช่หลักแต่เมื่อไหร่ y, ที่ที่มันได้ความเป็นเองความรู้สึกตัวที่มันเกิดขึ้นเอง โดยที่เราไม่ต้องกําหนดนั่นแหละมันจะเป็นหลักเราจะเห็นแล้วจะหลักตอนนี้พอได้ตัวนี้แล้วเนี่ยทีนี้มันจะภาว่าอารมณ์จะค่อยค่อๆเปลี่ยนไปทีละอย่างสองอย่างอันเนี้ยเราเราต้องให้ได้ตัวนี้ถ้าได้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยอารมณ์เบื้องต้นเนี่ยมันจะชัดเจนหมดทุกอย่างเลยเราจะเรียงลําดับอารมณ์แต่ละขั้นแต่ละขั้นแต่ละขั้นมาได้ทุกอย่าง เราจะเลียงตั้งแต่เราปฏิบัติทีแรกๆมามันเป็นสภาวะอารมณ์อะไรยังไงมันจะเลี้ยงลําดับอารมณ์ได้แต่ถ้ามันไม่ใช่เราเราจะเราจะเลียงลําดับอารมณ์ไม่ได้หรอกอันเนี้ยฉะนั้นเอาตัวความรู้สึกตัวนี้แหละเป็นหลักโยมทำตัวเนี้ยมันจะรู้อะไรไม่รู้อะไรช่างมันโยมช่างมันไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามันได้หลักจริงๆแล้วยังไงมันก็มีผลมันก็ต้องมีผลที่ เอ่จะรู้เรื่องอย่างอื่นๆเนี่ยมันยังไงมันก็มีผลเพราะอะไรเอ่าฉะนั้นเราเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องเรื่องเรื่องจเจริญจิตนิยมหลวงพ่อคําเขียนท่านพูดบ่อยๆให้ทําเหมือนแบบง oo นะทําแบบง oo ไม่ต้องไปฉลาดไม่ต้องไปรู้อะไรหรอกอเอาแค่ทําแบบโง o ๆเนี่ยเราไม่ต้องไปอยากรู้อะไรอยู่จะรู้หรือไม่รู้ก็ช่างนะถ้าพูดถ้าพูดถึงว่าเอ่อ อยู่กับคูบาอาจารย์นะโยมอาตมาเนี่ยพูดถึงว่ามาอยู่กับหลวงพ่อคำเขียนอาตมาสังเกตหลวงพ่อคำเขียนแทบทุกอย่างนะโยมปีพศสองพไม่มีพระอยู่ด้วยหรอกแล้วหลวงพ่อคำเขียนก็ม่มาอยู่ที่ป่าสุกโตอาตมาหลวงพ่อคำเขียนอยู่ที่ท่ามะไฟแต่อาตมาจำมรนษาที่ป่าสุกโตมีพระหรูปไม่มีโยมหรอกเมื่อไม่ไมีโยมเนี่ยถามว่า อยู่กับหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยศรัทธาหลวงพ่อคำเขียนแทบทุกอย่างนะโยมเรียกว่าท่านอยู่กับท่านเนี่ยเหมือนกับพ่อกับลูกตอนเย็นเย็นกลางคืนเนี่ยลงนั่งคุยกันสองคนก็ปิดไฟคุยกันที่กุฏิหลังที่อเอาศพไว้หลวงพ่อคำเขียนนั่นแหละได้ก่อนมุ่งยาจะนั่งคุยอยู่กับหลวงพ่อคำเขียนแทบทุกเรื่องท่านคุยให้ฟังคุยสองคนกลางคืน ตอนคืนนะคุยท่านจะพูดเรื่องนั่นเรื่องนี้ให้ฟังอบอุ่นอยู่อยู่เหมือนอยู่สองรูปอยู่ไปคุยกับท่านแค่สองวงแค่นั่นแหละอยู่ที่นั่นนะท่านแต่ท่านท่านก็ไม่ค่อยมาที่นี่หรอกแต่ความเป็นอยู่เนี่ยท่านแสดงให้ดูว่าท่านอยู่ง่ายๆได้ง่ ย, ยมตรงหินโค้งที่ท่ามาไฟเนี่ยท่านจะนอนตรงนั้นแหละ นอนแล้วก็ผ้าจีวรคลุมไปที่ไหนก็เหมือนกันไม่มีมุง้งนันอยู่สบายสบายลไม่ต้องมีมุง้งไม่ต้องมีอะไรละนอนมานมาที่นี่ก็เหมือนกันมาที่สาราไก่ก็จะมีไม้ที่อ่ติท่านมาท่านก็ น, นอนตรงนั้นแล้วเอาหัวยัดเข้าไปตรงกอไผ่ท่านเคยเล่าบ่อยๆว่านอนนอนอยู่ที่กอไผ่นั่นแล้วก็มีไอตัวตอนกลางคืนก็มีอา่าตัวลนิ่มตัวนิ่ม อตัวนิ่มลงมาเที่ยวเท้าเคาะเขียงหัวท่านที่สาราไก่เนี่ยคือทําไมท่านทําได้โยมมียุงไหมมีทําไมท่านทําได้ทําไมท่านนอนได้นอนทําวัดอยู่ที่สาลาโค้งนี่ตรงหินโค้งนี่ตอนเช้าอาจจะมาไปตีของทําวัดปุ๊บพอตีของนี่ท่านลุกนั่งแล้วพออจะมานั่งปุ๊บอลังสมาเลยไม่รู้ใครจะมาไม่มาไม่รู้ ท่านทำวัดเลยนะนอนอยู่ตรงนั้นแหละใครจะมาไม่มาไม่ท่านก็ลุกทำเลยพาทำวัดเลยอันเนี้ยเรียกว่าความเป็นอยู่อยู่แบบง่ายๆแบบสบายๆแบบว่าถามว่ายุงกัดนะ่ยเวทนาทำอะไรท่านได้ไหมไม่ได้ไม่มีแต่ยุงกัดกัดว่ากัดยุง ก, กัดแทบทุกคนนั่นแหละกัดแต่ว่าท่านมีสติกำหนดรู้เมื่อมีสตความสติที่มันชัดเจน ยุงกัดก็กัดเฉยๆนะก็ไม่ได้ไปทำอะไรยุงก็ปล่อยมันกัดอยู่อย่างนั้นแหละเห็นอะไรก็อยู่อยู่อย่างนั้นแหละก็กำหนดสติดูได้ดูอาการที่ที่มันเป็นทุกข์มันจะทำให้เป็นทุกข์เนี่ยฉะนั้นตรงนี้หลยโยมเราจะเห็นได้ว่าไม่มีใครที่จเจริญสติแล้วได้กายานุปัสนาชัดเหมือนกับหลวงพ่อนะเพราะอะไรเพราะพวกเรามันติดเยอะ ม, มันติดนะยิ่งอยู่ปัจจุบันติดติดอะไรว้างโยมที่ลำบากลําบากนี่โดยไม่มีอะไรสมัยก่อนไม่มีนะวิทยุไม่มีโทรศัพท์ไม่มีหลวงพ่อไม่เคยให้เอาเข้าไปวิทยุไม่เอาเข้าไปโทรศัพท์ยิ่งโทรศัพท์ยิงอะไรเนี่ยเข้าไปแต่ตัวเข้าไปในห้องเนี่ยเราห้ามได้ไหมสิ่งเหล่าเนี้เพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้แหละมันทําให้เราติด โทรศัพท์ติดวิทยุติดอะไรทุกอย่างเลยมันสร้างกระแสมันนี่แหละก็ เ, เรียกว่าเราจะรับตาหูจะโหมดลิ้นกายใจเรารับตลอดเวลาลิ้นเราก็ต้องมีเวลาเราคิดว่าง่วงมันก็ต้องมีกาแฟไปแก้มีแอโนโนนนี่ไปเราไม่เคยเราไม่เคยไม่เคยสังเกตไม่เคยดูนะโยมอย่างแม้กระทั่งไปกินข้าวเวลาเรามาตักอาหารเนี่ยเก็บอารมณ์เนี่ย เรามาตักข้าวเนี่ยพอเราเข้าเดินไปทางเดินยงกลเราเคยสังเกตไหมแค่เรามาตักข้าวเนี่ยเราคุยกันสองสามคำเนี่ยคําพูดที่เราคุยกันเนี่ยมันก็ติดเข้าไปในทางในห้องกรรมฐานบางทีไปเดินยี่สบสามนาทีไอ้คาพูดที่เราพูดแค่เราพูดกันนี่นาะยโยมเวลาปฏิบัติเวลาเข้าห้องกรรมฐานสังเกตอย่างนี้แหละพอเราเห็นอย่างนี้โอ้พอเราไปพูดไปคุยเด้มันถึงรับเข้ามา พอเราต้องการเขาได้เราไปเอาเข้ามาได้เราถึงติดเข้ามาเวลาเดินยกกลมเราก็ต้องไปคิดก่อนมันก็มาหาความรู้สึกตัวยากกลับมาหาความรู้สึกตัวไม่ได้เนี่ยสังเกตอย่างนี้นายโยมแม้กระทั่งตักอาหารนี่ก็เหมือนกันโยมตักข้าวน้อยไม่เป็นปัญหาได้ไหมตักข้าวมากไม่เป็นปัญหาได้ไหมตรงนี้ยถ้าเรามีสติแล้วเราจะเห็นได้ว่าถ้าใจเราไม่ไปไม่ไปทุกข์กับของน้อยกับมากนี่ มันก็เฉยๆนะมันเฉยๆนะอาดมานี่ที่ที่พูดตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเขาห้องกรรมาฐานเนี่ยเวลามาตักอาหารปุ๊บมันเห็นอะไ น, นั้นมันก็อยากได้เห็นอะไรนี่ก็อยากได้เห็นนั่นก็อยากตักตักตักตักโอ้ที่เพราะว่าหลังมาไม่เอาอยากได้ไม่เอาเอาที่ไม่อยากตักอละนิดละนิดพอที่หลังเอามามาเอาลองไม่เอาดูสิไม่เอาเอ า, เอาไปมากับข้าวไมวเอาดูสิเอาแต่ข้าวกับน้ําพริกเฉยๆได้ไหม หัดไปหัดมาโอ้ถ้าเรามีสติแล้วเนี่ยมันไม่ทุกข์กับน้อยกับมากเด้มันไม่ทุกข์กับความไม่มีความมีความไม่มีเด้ใจเรามันวางเฉยได้ถ้าเราหัดได้เนี่ยมันจะวางเฉยได้มันไม่สนเลยว่าจะมากจะน้อยหิวแล้ยหิวไม่เป็นไรเรามีหน้าที่แก้ไขก็กินน้ําก็ได้ข้าวเราไม่ได้กินเรากินน้ําก็ได้มันจะรู้จักแก้ไขเจ้าตัวเองฉะนั้นเราพยายามเวลาเราเข้าห้องกรรมฐานเราปฏิบัติพยายามเปลี่ยน คือแก้ไขตัวเองบ่อยๆแก้ไขตัวเองทุกๆเรื่องทุกๆอย่างมันอยากทอะไรเปลี่ยนมาเปลี่ยนควา ม, มรู้สึกตัวมันอยากทาอะไรเปลี่ยนมันความรู้สึกตัวอยาเปลี่ยนอะเปลี่ยนตัวเนี้ยเปลี่ยนให้ได้มันจะหนักหนาขนาดไหนก็ต้องเปลี่ยนให้ได้ถ้าเราเปลี่ยนไม่ได้ถ้ายิ่งเราทุกมาเนี่ยเวลาเราเจ็บเราป่วยมาเนียเราทำยังไงถึงจะได้ทำได้มือนหลวงพ่อ โยมหลวงพ่อแสดงตรงเนี้ยเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่เรียกว่าเรียกว่าทาได้อย่างน่ามหัศจรรย์มากๆเลยเจ็บป่วยไม่ให้ใครปวดหนักปวดเบาไม่ให้ใครช่วยช่วยตัวเองจะเข้าห้องน้ําอะไรช่วยตัวเองตลอดจนกระทั่งมรณภาพเพราะอะไรเพราะอนุภาพของความมีสติเพราะกายานุปัสสนามันชัดเจนเมื่อมันชัดเจนแล้วเวทนาก็บีบคั้นไม่ได้แม้กระทั่งความตายก็ยังบีบคั้นไม่ได้ เนี่ยคือที่ท่านแสดงให้พวกเราดูว่าท่านแสดงตลอดเวลาแต่บางทีเราเราแสดงท่านแสดงความเข้มแข็งตลอดเวลาแม้แต่เจ็บแต่ป่วยอยู่ท่านก็ยังไปรดน้ําต้นไม้เดินไปโน่นมานี่ทําอะไรอยู่ไม่แสดงอาการของคนป่วยให้เราเห็นอันเนี้เราทาไงเราจะทํากายานุปัสนาหรือให้มันชัดเจนได้เหมือนหลวงพ่อแล้วกําหนดรู้เวทนาเวลามันเจ็บมันปวดเวลามัน ปวดหนักปวดเบาเนี่ยเอาสติเอาความรู้สึกตัวเนี่ยไปกําหนดไปกําหนดดูว่ามันจบไหมปวดหนักปวดเบาก็จบนะเนี่ยมันเป็นของธรรมชาติที่เรียกว่าพอมันเกิดขึ้นปุ๊บเรามีสติปุ๊บกําหนดปุ๊ บ, ดบเดินยังโ้มอยู่นั่นแหละมันก็จบนะปวดเบาก็ไม่ไม่ไปไม่ต้องไปเข้าห้องน้ําปวดหนักก็ไม่ไปเข้าห้องน้ําได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะสร้างอานุภาพของสติ ให้มีน้ำหนักให้มีกำลังได้มากหรือน้อยแค่นั้นเองโยมแล้วในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราคิดเป็นร้อยเรื่องพันเรื่องเรากาหนดสติรรู้ได้แทบทุกเรื่องเราเราชำนาญแล้วเราชนานาญการเปลี่ยนแล้วมันคิดปุ๊บเราเปลี่ยนปับ๊บเราคิดปุ๊บเราเปลี่ยนปับ๊บความที่เราเปลี่ยนบ่อยๆนั่นแหละต่อไปมันจะเป็นปัญญาตัวที่เราเปลี่ยนอาการต่า ง, างๆเนี่ยมันไม่เป็นปัญญาเฉยๆนะมันเป็นปัญญาที่มันบอกเราด้วย นะเราจะเห็นได้ว่าในขณะที่เราเดินเราทําความเปลี่ยนทำอะไรอยู่เนี่ยมันมีตัวบอกตัวสอนอยู่ถ้าตัวสติมันชัดเจนเนี่ยผู้บอกผู้สอนมันมีอยู่ในใจเราเนี่ยมันมีอยู่ฉะนั้นเราก็ฝึกเอาหัดเอานายมมันมันมันเรียกว่ามันเป็นเรื่องของใครของมันอุปนิสัยจิตใจมันเป็นเรื่องของเรานายมมันเป็นเรื่องของเราว่าเราจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเราเนี่ยเราต้องสร้าง ความรู้สึกตัวให้มากแค่นั้นเองถ้าความรู้สึกตัวไม่มากเปลี่ยนไม่ได้นะมันจะเปลี่ยนไม่ได้เราก็จะเหมือนเดิมเลยแหละมันก็จะเหมือนเดิมแล้วดีไม่ดีเราปฏิบัติปฏิบัติมันก็กลับไปสภาเพราะเดิมมันเก่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเคยทํำยังไงมันก็จะทําอย่างนั้นบ่อยๆเคยคิดอะไรมันก็คิดอย่างนั้นบ่อยๆโยมแล้วการย้ําคิดย้ําเนี่ยโยมเราเคยเห็นไหมเวลาเราคิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคิด จนกระทั่งว่าในที่สุดมันตันนะความคิดมันก็ตันเหมือนกันไปไม่เป็นนะแต่มันจะหนักนะฉะนั้นคนที่ที่เขาฆ่าตัวตายเนี่ยเพราะการหมกมุ่นคุ้นคิดย้ำคิดเรื่องเดียวนี่แหละคิดแล้วคิดอดี๋ยวพอถึงที่สุดแล้วมันไปไม่ได้มันตันเลยตันปั๊บฆ่าตัวตายทันทีเลยมันหนักความคิดที่เราย้ำคิดแล้วคิดอีกยวก็หนักเหมือนกันอันนี้ก็ฝากเนาะสมควรเกี่ยเวลาก็ตีห้าห้านทีก็เรียกว่า เป็นประสบการณ์ที่ เ, เรียกว่าอาตมากระทามาอย่างนั้นโยมที่ทําม า, าทํามาอย่างนี้ก็เรียกว่ามันถึงได้เปลี่ยน เ, เปลี่ยนตัวเองได้ถ้าไม่ได้พูดจากการจํามาเป็นการพูดจากประสบการณ์ของตัวเองเรียกว่า คนอื่นคนที่มีสติเนี่ยเข็นนะคนที่มีสติแล้วปฏิบัติได้ง่ายเนี่ยโอ้เข็นแล้วก็โอ้ยทาไมเขาปฏิบัติได้ง่ายแท้ทําทไมเราปฏิบัติยากแท้ก็พอมาเห็นเราโอ้กระเพาะเราทําตัวกายานุปัสสนานี่เองมันไม่ชัดแต่ก่อนหลวงพ่อบอกว่ากายานุปัสสนามันไม่ชัดกายานุปัสสนาไม่ชัดเนี่ยพูดแล้วผู้ ด, ดีมันก็ไม่เข้าใจนะเองมันก็ไม่เข้าใจเนะท่านั้นตรงนี้แหละโยมข้อบกพร่องของเราก็คือ กายานุปัสสนามันไม่ชัดเจนกค่นั้นเองมันถึงยากแต่ว่าจะยากขนาดไหนนี่มันไม่เกินความสามารถของเราเราทำบ่อยๆทาบ่อยๆ ท, ทำแล้วทำอีกทาแล้วทำอีกหลายปีอักมากลายปีเหมือนกันกว่าจะรู้กว่าจะได้สัมผัสความเป็นเองครั้งแรกก็4ปีนะสปีเพราะว่าอะไรต่นแรกไม่จริงจังเท่าไหร่อันนี้ก็พูดให้ฟังนะก็ขอให้ญาติโยมและก็พระคุณเจ้า ได้ตัง้งจิตตั้งใจได้พบได้เห็นในสิ่งที่มุ่งหวังสิ่งที่ปรารถนาทุกท่านทุกคนเดิน